ตอนที่9ไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตาคุณจะรู้สึกอย่างไรหากทั้งชีวิตมีแต่เรื่องร้ายๆหนักๆประดังประเดเข้ามาตั้งแต่เกิดก็เกือบจมน้ำตายโตขึ้นก็สูญเสียแม่พ่อป่วยหนักมีน้องๆต้องดูแลหลายคนทั้งๆ ท, ที่ยังเรียนไม่จบครั้นแต่งงานก็มีลูกพิการสุดท้ายสามีก็ทิ้ง แล้วยังมาเจอเนื้องอกที่มดลูกผ่าตัดลำไส้เหลือแค่ครึ่งเดียวจากนั้นก็ถูกรถชนกระดูกคอหักรอดตายแล้วก็ไปเจออุบัติเหตุรถยนต์อีกแขนหักสองท่อนและตับแตกอายุไม่ถึงห0แต่กระดูกผุราวคน80แล้วยังไม่รู้ว่าจะเจออุบัติเหตุอีกกี่ครั้งเจอแบบนี้แล้ว คุณยังคิดอยากอยู่อยากยิ้มให้กับชีวิตนี้อีกหรือแต่สําหรับคุณกเกษมสุขพมรสถิตชีวิตนี้ไม่เคยเลวร้ายเกินทนเธอยังยิ้มให้กับชีวิตได้เสมอไม่รู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหรือหวันหวาดอนาคตเพราะมั่นใจว่าพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้พูดอย่างคนโบราณชีวิตของเธอเหมือนกับเกิดมาเพื่อรับกรรม ลืมตาดูโลกได้ไม่ถึงสองเดือนพี่เลี้ยงก็ทำหลุดมือตกน้ำเกือบจะหลุดเข้าไปใต้โปะท่าน้ำแต่เดชบุญมีคนคว้าไว้ได้ทันทั้งน้ำและน้ำมันเข้าปากพออายุได้แดขวบก็จมน้ำอีกผุดทะลึ่งขึ้นมาครั้งที่สพ่อถึงเห็นและเกี่ยวขึ้นมาได้จมน้ำปางตายสองครั้งทำให้ร่างกายอ่อนแอเจอแดดร้อนๆไม่ได้ มีอันต้องเป็นลมร้องไห้ประเดี๋ยวเดียวก็เป็นลมสลบจนใครๆหาว่าสำออยเรียนมหาวิทยาลัยแค่ปีสองแม่ก็เสียพ่อทำใจไม่ได้ช็อกหัวใจวายกลายเป็นคนป่วยนับแต่นั้นไม่นานบ้านก็ถูกยึดเพราะเป็นหนี้อายุแค่19ปีเธอกลายเป็นกำลังหลักคนเดียวของครอบครัวที่ต้องหาเงินมาเลี้ยงพ่อและน้องๆทั้งห้าคน ไม่ได้หดหูท้อใจในชะตากรรมเป็นความรู้สึกของเธอในตอนนั้นโดยหารู้ไม่ว่าเคราะห์กรรมยังจะตามมาอีกมากเธอแต่งงานก่อนวัยเบญจเพศเมื่อคลอดลูกก็พบว่าลูกพิการเพราะหมอใช้ครีมขี้หัวออกมาอย่างไม่ถูกต้องสมองจึงเติบโตได้ไม่เต็มที่หมอทำนายว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างมาก9้าปี แต่เธอก็เลี้ยงดูเอาใจใส่จนลูกอายุยี่สิบกว่าแล้วคลอดลูกมาได้ปีกว่าก็พบว่าเป็นเนื้องอกที่มดลูกปรากฏว่าหมอตัดส่วนที่ดีทิ้งไปจึงต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งคราวนี้มดลูกที่เหลือถูกตัดทิ้งหมดรวมทั้งรังไข่ด้วยทำให้ร่างกายขาดฮอร์โมนครั้นกินฮอร์โมนทดแทนก็แพ้เลยเป็นโรคกระดูกผุนับแต่บัดนั้น เท่านั้นยังไม่พอระหว่างผ่าตัดโรคกระเพาะเกิดกำเริบจนตัวบวมเขียวหมอต้องเปิดท้องตัดลำไส้จนเหลือเพียงครึ่งเดียวอายุไม่ถึง26เธอก็มีอวัยวะไม่ครบเหมือนคนปกติแถมมีลูกพิการที่เสี่ยงต่อความตายแม้เธอจะรักษาชีวิตของตนและของลูกได้แต่แล้วก็ต้องสูญเสียสามี ชีวิตครอบครัวที่มีแต่ปัญหาทำให้เธอกับเขาตัดสินใจแยกทางกันเจออย่างนี้แล้วเธอยังทำใจได้ไม่คิดโทษใครหรือน้อยใจในชีวิตครอบกรรมยังซ้ำเติมไม่จบเรากับจะทดสอบจิตใจของเธอวันหนึ่งขณะที่รถติดไฟแดงก็มีรถเมย์เบรกแตกวิ่งมาชนรถของเธอ แรงกระแทกทำให้กระดูคอของเธอซึ่งผุอยู่แล้วหักทันทีและไปทับเส้นประสาททำให้เป็นอัมพาตเดชบุญที่สามารถรักษาให้หายได้หลังจากนอนแน่นิ่งในโรงพยาบาลเกือบสองเดือนหลังจากครั้งนั้นแล้วก็เจออุบัติเหตุอีกรถของเธอเลี้ยวโค้งและไปชนกับเสาไฟฟ้า กระดูกที่แขนของเธอหักออกจากกันห้อยร่องแรงแถมยังถูกก้านเกียร์ทิ่มใต้าชายโครมขณะช่วยคนขับหักพวงมาลายัยหลบคอสะพานผลก็คือตับแตกเธอยังต้องเจออุบัติเหตุอีกหลายครั้งแม้แต่วันที่ไปออกรายการเจาะใจก็ยังมีรถยนต์มาชนท้ายกระเทือนที่คอและหลังแต่เธอก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรทนได้ ต่อเมื่อถ่ายทำรายการเสร็จแล้วจึงไปให้หมอตรวจและรักษาที่โรงพยาบาลวันนี้เธออายุ52และไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้าอีกแต่เธอก็ยังมีขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตคงมีไม่กี่คนในโลกนี้ที่เจอเคราะห์ซ้ำกรรมซัดไม่หยุดหย่อนอย่างคุณเกษมสุข ยกเว้นคนที่เจอภัยสงครามหรืออดอยากหิวโหยปางตายแล้วจะมีสักกี่คนที่ลำบากลำเค็นเท่าเธอแต่แปลกไหมที่เธอไม่รู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนกับชีวิตที่เต็มไปด้วยเคราะห์กรรมเลยถ้าชะตากรรมมีจริงเธอเป็นคนหนึ่งที่ย้ำเตือนว่าเราสามารถเอาชนะชะตากรรมได้ไม่ได้ชนะที่ไหนหากชนะที่ใจนั่นเอง ชีวิตของเธอบอกให้เรารู้ว่าคนเราจะทุกข์หรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีอะไรมากระทบกับเราแต่อยู่ตรงที่เรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งนั้นหรือทำอย่างไรกับมันต่างหาก แม้จะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเราทำใจรับได้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ในทางตรงกันข้ามแม้มีเงินทองไหลามาเทมาแต่ถ้าเราคิดว่ามันน้อยเกินไปทำให้รวยไม่พอหรือไม่เท่าคนอื่นเมื่อนั้นใจเราก็เป็นทุกข์ทันที หลายครั้งที่ความเดือดร้อนของคุณกเกษมสุขเกิดขึ้นจากฝีมือคนอื่นแท้ๆเช่นหมอที่ใช้ครีมขี้ผัวลูกแรงเกินไปตัดมดลูกผิดข้างแม้แต่รถจอดนิ่งอยู่ก็ยังมีรถคนอื่นมาชนข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างแต่เธอไม่เคยเสียเวลาไปโทษคนอื่นเล่นงานเขาหรือกลด่าชะตากรรมหากคิดเพียงว่า จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรและรักษาใจให้เป็นปกติได้อย่างไรตอนที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเพราะกระดูกคอหักหมอเอาเหล็กแหลมเจาะเข้าไปในกระโหลกทั้งสองข้างเพื่อป้องกันไม่ให้คอขยื่นขยับเธอเจ็บมากแต่เห็นว่าถ้าตนใจเสียหมอและน้องๆก็ใจเสียไปด้วยเธอเลือกที่จะทำใจให้ปกติไม่ตีโพลตีพาย เพราะถ้าต้นตอไม่ตีโพตีพายซะก่อนคนรอบข้างก็อยู่ได้และกำลังใจนั้นมันก็จะถูกส่งกลับมาที่เราอีกทีไปไปมามาปรากฏว่าคนป่วยกลับมีจิตใจสบายกว่าคนมาเยี่ยมซะอีกจนกลายเป็นที่ปรับทุกข์ให้แก่คนรอบข้างแต่เธอไม่ใช่พระอิฐพระปูนฟังเรื่องพวกนี้มากๆ ก, ก็ทุกได้ง่ายๆทางออกของเธอก็คือ จับคนมาเยี่ยมนั่งสมาธิซะเลยจะได้ไม่มีเวลาพูดเรื่องอะไรที่มันร้อนใจกลายเป็นว่าคนป่วยกลับเป็นที่พึ่งทางจิตใจให้แก่คนปกติแทนที่จะตรงกันข้ามสิ่งสำคัญที่ประคองใจไม่ให้ทุกร้อนไปกับเหตุร้ายก็คือสติสติอ่อนเมื่อไหร่ใจก็จะโวยวายตีโพยตีพาย โทษคนนู้นคนนี้จนลืมจัดการกับตนเองทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นสิ่งที่ต้องทําก่อนอื่นใดน้องๆคุณกเกษมสุขเล่าว่าตอนเกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าคุณกเกษมสุขโทรศัพท์บอกที่บ้านอย่างรีบเรีย บ, รย บ, รยบธรรมดาว่าไม่เป็นไรแต่คิดว่าตับแตกสติเท่านั้นที่จะทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นเบาอย่างน้อยก็ไม่ทาให้เลวร้ายลงไปอีก ยังช่วยให้เราแก้ไขสถานการณ์ด้วยปัญญาอย่างสอดคล้องกับความเป็นจริงใครที่คิดว่าตัวเองทุกข์หนักหนาสาหัสแล้วลองนึกถึงชีวิตของคุณกเกษมสุขอาจจะได้คิดว่าตนนั้นยังโชคดีอยู่มากเมื่อเทียบกับเธอแต่เท่านั้นยังไม่พอน่าจะได้คิดต่อไปอีกด้วยว่าสุขทุกข์นั้นแท้จริงอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรา ถึงจนก็สุขได้ถึงป่วยก็ยิ้มได้แม้จะพลัดพรากสูญเสียแค่ไหนก็ยังมีสิทธิ์แช่มชื่นแจ่มใสได้แต่ถ้าทำใจไม่เป็นซะแล้วรวยแค่ไหนมีอำนาจมากเพียงใดสวดทรงงดงามเพียงใดก็ยังทุกข์อยู่นั่นเองจะเจออะไรมาก็แล้วแต่ข้อสำคัญประการสุดท้ายก็คืออย่ายอมแพ้ต่อชะตากรรม อย่าปล่อยใจไปกับความลำเคนความล้มเหลวและความเศร้าโศกท้อแท้ในยามร้ายไม่มีอะไรดีกว่าการปลุกใจให้อดทนเข้มแข็งสดชื่นและเปี่ยมด้วยความหวังว่าพรุ่งนี้ย่อมดีกว่าวันนี้